ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเฉียวชาในทางเปรตผีเทวบุตรเทวดาอินพรมยมยักหน่าครุฑมากทั้งพบยาพบละเอียดสามารถรู้ซอกแสกไปได้อย่างไม่มีประมาณในสิ่งที่สุวิสัยของตาเนื้อหูหนังจะเห็นและได้ยินได้นอกจากท่านไม่เล่าหมดตามที่รู้ที่เห็นเท่านั้นขณะท่านเล่าเรื่องเปรตผีเป็นต้นให้ฟังอดขนลุกไม่ได้ทั้งที่ไม่กลัวผีแต่ก็อดก ล, กลัวกรรมซึ่งเป็นของลึกลับและมีอํานาจมากไม่ได้ท่านว่าคนเรา ถ้าสามารถรู้เห็นกรรมดีชั่วที่ตนและผู้อื่นทําขึ้นเหมือนเห็นวัตถุต่างๆเช่นเห็นน้ําเห็นไฟเป็นต้นจะไม่กล้าทําบาปเหมือนคนไม่กล้าเข้าไฟแต่กระตือรือร้นกันทําแต่ความดีซึ่งเป็นของเย็นเหมือนน้าความเดือดร้อนของโลกที่เคยได้รับก็นับวันลดน้อยลงเพราะต่างคนต่างรักษาตัวกลัวเป็นบาปอันตรายลูกศิษย์กับอาจารย์โตนรกสวรรค์กัน ขณะที่ท่านอธิบายทำเกี่ยวกับเปรตผีนรกสวรรค์เป็นต้นมีอาจารย์องค์หนึ่งที่เป็นศิษย์ท่านเรียนถามท่านขึ้นว่าเมื่อคนทั้งโลกไม่รู้ไม่เห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกเห็นสวรรค์ตลอดเห็นเปรตเทวบุตรเทวดาครุฑนาคและวิญญาณที่เป็นพบละเอียดยิ่งแต่ท่านอาจารย์สามารถรู้เห็นได้เพียงองค์เดียวทั้งที่คนอื่นไม่รู้ไม่เห็นด้วยท่านอาจารย์จะอธิบายให้คนรู้เห็นด้วยไม่ท้ายบ้างหรือ ตั้งแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเวลาเห็นแล้วยังนำมาสั่งสอนโลกได้เช่นบาป บ, บุญนรกสวรรค์เป็นต้นล้วนเป็นธรรมชาติที่พระองค์รู้เห็นแล้วนำมาสอนโลกทั้งสิ้นไม่เห็นใครปรับโทษพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนี่ก็เข้าใจว่าจะไม่มีท่านผู้ใดจะมาปรับโทษท่านอาจารย์นอกจากเขาจะอนโมธนาสาทุกกับท่านอาจารย์เท่านั้นเช่นเดียวกับ พวกกระผมเชื่อแะอาะสะใจความรู้ความสามารถของท่านอาจารย์อยู่เวลานี้ท่านอาจารย์ตอบว่าผมยังไม่ได้คิดว่าจะพูดอย่างท่านขอร้องแต่ผู้ขอร้องคือท่านจะหาเรื่องบ้ามาฆ่าตัวท่านและผมก่อนแล้วถ้าผมพูดตามความเห็นท่านท่านก็เป็นบ้าคนที่หนึ่งผมก็คือบ้าคนที่สองผู้ฟังที่นั่งอยู่ด้วยกันนี้ก็จะเป็นบ้าคนที่สามที่สี่จะเป็นบ้าไปด้วยกันทั้งวัดแล้วจะมีวัดบ้าที่ไหนให้พวกเรา ซึ่งเป็นบ้ากันหมดทั้งวัดอยู่ละ่ศะศาสนาออกจากท่านผู้รอบคอบแสดงไว้ด้วยความรอบคอบเพื่อปฏิบัติด้วยความรอบคอบรู้ด้วยความรอบคอบและพูดและพูดด้วยความรอบคอบแต่การพูดพร่ำไปดังท่านนี้จะจัดว่ารอบคอบหรือจัดว่าพวกบ้าน้ำลายทดลองพิจารณาดูสิผมว่าเพียงคิดขึ้นเท่านั้นก็เริ่มคิดเรื่องบ้าอยู่แล้วมีหนํายังจะขืนพูดออกมาถ้าโลกทนฟังได้โลกไม่แตก ผูพ้พูดผู้ฟังเหล่านี้ก็ดีแตกและบ้าแตกหาโลกอยู่ไม่ได้แน่แนการพูดดังที่ท่านคิดนั้นท่านมีเหตุผลอะไรบ้างท่าลองคิดดูแม้แต่สิ่งที่เห็นเนรู้รู้กันอยู่ทั่วไปเขายังรู้จักวิธีปฏิบัติว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับเหตุการณ์สถานที่และความนิยมของคนในยุคนั้นๆทำแม้จะเป็นความจริงเหนือสิ่งใดแต่ยังอาศัยโลกผู้เกี่ยวข้องกับธรรมอยู่ ซึ่งควรปฏิบัติให้เหมาะสมกับโลกกับธรรมไปตามกรณีแม้พระพุทธเจ้าที่ทรงรู้เห็นสิ่งต่างๆก่อนใครในโลกทั้งสามารถจะตรัสอะไรได้ด้วยความรู้ความเห็นที่ประจักษ์พไทยแต่ก็ทรงรอบคอบในสิ่งทั้งปวงว่าจะควรปฏิบัติอย่างไรเสมอมาหากพระองค์จะตรัสบ้างในบางเรื่องก็ทรงเห็นว่าเหมาะกับเหตุการณ์สถานที่และบุคคลผู้รับฟังไม่ได้ตรัสโดยปราศจากพระสติปัญญาความรอบคอบอันแหลมคม ความรู้ความเห็นสิ่งต่างๆที่ควรแก่ฐานะของตนนั้นเป็นสิทธิของผู้นั้นแต่จะพูดพร่ามออกมาเสียทุกสิ่งทุกอย่างโดยปรยาศจากสติปัญญาที่ควรนำใช้เป็นประจำนั้นรู้สึกจะเป็นความรู้ความเห็นที่แหวกแนวคําพูดแหวกแนวแต่ผู้รับฟังซึ่งไม่ใช่คนแหวกแนวก็ทนฟังอยู่ไม่ได้การที่ใครจะปรับโทษหรือไม่นั้นเป็นเรื่องยากและเรื่องนอกๆซึ่งไม่สําคัญยิ่งกว่าตัวผู้รู้ผู้เห็น จะควรปฏิบัติต่อตัวโดยสามีจกรรมอันเป็นความชอบธรรมแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องทั่วไปความเชื่อและความอัศจรรย์ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะนํามาสนับสนุนเพื่อเสริมคนให้เป็นบ้าความเชื่อและความอัศจรรย์ด้วยความอยากให้พูดให้คุยก็เป็นความเชื่อความอัศจรรย์ของคนที่กําลังจะหาทางเป็นบ้าผมจึงไม่สงเสริญความเชื่อความอัศจรรย์แบบนั้นแต่อยากให้มีความเชื่อความอัศจรรย์ที่จะเป็นความแหลมคม สมกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคนให้ฉลาดบ้างแม้ไม่ฉลาดมากก็พอหน้าชมโดยความหวังว่าจะยังมีผู้ทรงพระศาสนาและสืบพระศาสนาไปด้วยความฉลาดรอบคอบอยู่บ้างผมขอถามท่านบ้างว่าสมมติว่าท่านมีเงินติดตัวอยู่จำนวนพอที่จะทําประโยชน์หรือทําความเสียหายแก่ตัวท่านได้หากไม่ฉลาดเวลาท่านเข้าในที่ชุ ม, นมชนท่านจะปฏิบัติต่อสมบัตินั้นอย่างไรบ้างถึงจะปลอดภัยทั้งสมบัติและตัวท่านเอง พระอาจารย์องค์นั้นเรียนตอบท่านว่ากระผมก็จะพยายามรักษาสมบัตินั้นเต็มสติปัญญาที่จะรักษาได้ท่านถามว่าสติปัญญาที่ท่านจะนำมาใช้ต่อสมบัติและชุมนุมชนในเวลานั้นท่านจะนำมาใช้ด้วยวิธีใดสมบัติส่วนอื่นและตัวท่านเองจึงจะปลอดภัยอาจารย์นั้นเรียนท่านว่าถ้ากระผมจะสงเคราะห์เขาโดยที่เห็นว่าควรสงเคราะห์ ก็จะพยายามแยกสมบัติจำนวนที่จะสงเคราะห์ อ, ออกแผนกหนึ่งโดยม่ให้เขามองเห็นสมบัติส่วนใหญ่ที่มีอยู่ของตนแล้วสงเคราะห์ขอไปเฉพาะจำนวนที่แยกออกไวจากส่วนใหญ่เท่านั้นนอกนั้นกระผมก็เก็บไว้อย่างมิชิดไม่ให้ใครรู้ใครเห็นเพราะกลัวจะเป็นภัยแก่สมบัติและตัวกระผมเองท่านตอบว่าเอาละทีนี้สมมุติว่าท่านรู้เห็นธทมหรือสิ่งต่างๆดังที่ท่านยกขึ้นถามผมมีการเห็นเปรตผีเป็นต้น ท่านจะปฏิบัติต่อความรู้ความเห็นและแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างถึงจะจัดว่าเป็นผู้มีความรอบครอบในสมบัติประเภทนั้นและเป็นประโยชน์แก่หมู่ชนผู้มาเกี่ยวข้องเท่าที่ควรโดยไม่มีการอื้อฉาวราวเรื่องซึ่งอาจเป็นความเสียหายแก่ท่านเองและพะศาสนาได้อาจารย์องค์นั้นเรียนท่านว่ากระผมก็จาต้องปฏิบัตินองเดียวกันกับการปฏิบัติต่องเงินซึ่งเห็นว่าเป็นคุณแก่ตนและผู้ผอื่นโดยถ่ายเดียว ไม่มีภผยเข้ามาแทรกด้วยท่านถามว่าก็เมื่อสักครู่นี้ท่านพูดเป็นเชิงชักนำให้ผมประกาศโฆษณาความรู้ความเห็นมีเห็นเปรตผีเป็นต้นแก่ประชาชนโดยมิได้คำนึงถึงผลประโยชน์และความเสียหายอันจะตามมานั้นท่านพูดมีความหมายอย่างไรบ้างผมคิดว่าถ้าคนมีสติปัญญาพอประคองตัวอยู่บ้างดังมนุษย์ทั่ ว, วไปเขาคงไม่พูดอย่างท่านแน่นอนแต่ท่านเอ ง, งพูดออกมาได้ ถ้าท่านไม่เลยขั้นคนธรรมดาก้าวเข้าขั้นไม่มีสติแล้วจะควรชมเชยว่าท่านก้าวข้ามไปขั้นอะไรแล้วผมเองยังมองไม่เห็นจุดที่ควรชมเชยท่านบ้างเลยสมมติว่ามีผู้มาต่อว่าท่านว่าเวลาท่านก้าวพอถึงขั้นนั้นแล้วท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรจึงจะตรงกับความจริงที่เขาว่าท่านโดยมีเหตุผลท่านได้คิดบ้างหรือเปล่าว่าคนในโลกมีคนฉลาดมากหรือคนโง่มาก และคนจะพวกไหนที่จะสามารถทรงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปด้วยความมีเหตุผลและยั่งยืนไปนานไม่ถูกทําลายด้วยแบบท่านถามผมเมื่อสักครู่นี้ท่านนั้นเรียนท่านว่าถ้าพิจารณาตามที่ท่านอาจารย์ว่าแล้วก็เป็นความผิดในการกล่าวของกระผมโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะเท่าที่กระผมกล่าวเรียนขอนั้นโดยมุ่งเจตนาในทางอยากให้คนทั้งหลายทราบบ้าง อย่างกระผมทราบแล้วรู้สึกทราบซึ้งและอัศจรรย์อย่างยิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากท่านผู้ใดเลยเมื่อเล่าให้เขาทราบบ้างคงจะรู้สึกทราบซึ้งไปนานและเกิดประโยชน์แก่เขามากมายด้วยความรู้สึกอย่างนี้จึงทําให้ความอยากนั้นหลุดปากออกมาโดยไม่ได้คํานึงว่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้พูดและพระาศาสนามากน้อยเพียงไรด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการกระผมจึงขอประทานโทษในโปรดเมตตาอย่าให้กรรมนี้ ต้องติดในสถานอีกต่อไปกระผมจะพยายามสํารวมไม่ให้เป็นทนองนี้อีกหากมีคนมาต่อว่าว่ากระผมก้าวกรถึงขั้นว่าก็จําต้องยอมรับตามเหตุผลเพราะเราเป็นผู้ควรถูกตําหนิอย่างหาทางหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก่อนกระผมยังไม่ได้คิดว่าคนในโลกมีความฉลาดมากหรือคนโง่งมากเพิ่งจะมาสะดุดใจเอาขณะที่ท่านอาจารย์ถามนี่เองเลยเดาเอาตามความรู้สึกว่า คนโง่มีมากกว่าคนฉลาดอยู่มากมายคิดดูในหมู่บ้านหนึ่ ง, งมีคนฉลาดและรักศีลรักธรรมอยู่เพียงไม่กี่คนนอกนั้นแทบจะพูดได้ว่าไม่ทราบที่ไปที่มาของตัวเอาเลยว่าไปเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรผิดหรือถูกดีหรือชั่วควรทําหรือไม่ควรเขา ไ, ไม่ค่อยสนใจคิดเลยขอแต่ให้สะดวกสบายในขณะนั้นก็พอใจแล้วจะเป็นอะไรต่อไปก็หม้อพญถากรรมเป็นผู้ตัดสินเอาเอง คราวนี้กระผมพอเข้าใจได้บ้างไม่มืดมิดปิดทวารเหมือนแต่ก่อนส่วนผู้จะทรงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและยืนนานต่อไปด้วยความมีเหตุมีผลนั้นก็เห็นจะได้แก่คนฉลาดเป็นผู้นำและทรงไว้ด้วยความราบรื่นสมอนเสมอมากกว่าจำพวกอื่นๆจำพวกนอกนั้นก็อบพลอยได้ประโยชน์ไปตามๆกันแต่หลักใหญ่เห็นจะอยู่ในคนจำพวกมีเหตุมีผลเป็นแน่เพราะทางโลกทางธรรมกิจบ้านการอาชีพตลอดงานทุกแผนก รู้สึกจะหนีเจมพวกฉลาดมีเหตุผลเป็นผู้นําไปไม่ได้ท่านอาจารย์อธิบายต่อไปว่างานทางโลกทางธรรมท่านยังพอคิดพอพูดได้ว่าคนฉลาดเป็นบุคคลสําคัญในวงการต่างๆแต่งานของท่านเองซึ่งเป็นนักบวชและนักปฏิบัติทําไมจึงไม่คิดบ้างว่าคนอย่างไรไม่คนอย่างไรงานพระศาสนาเป็นงานละเอียดมากยากที่จะรู้ทั่วถึงผู้จะทรงพระศาสนาทรงธรรมทรงวินัยให้ถึงขั้นสมบูรณ์ได้ ต้องเป็นคนฉลาดความฉลาดในที่นี้มีได้หมายความฉลาดที่ทําลายโลกให้พินาศทําลายาศาสนาให้ฉิภายล่มจมแต่เป็นความฉลาดในเหตุผลที่จะยั่งโลกและทําให้เจริญโดยถ่ายเดียวความฉลาดนี่แหลที่แสดงไว้ในมรรคแดว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปคือความเห็นชอบความดําริคิดนึกชอบและเป็นผู้นํากายวาจาให้ประพฤติแต่ในทางที่ชอบตามปัญญาสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นผู้นํา แม้แต่สมาธิที่เป็นไปในทางชอบก็จําต้องอาศัยสัมมาทิฐิองค์ปัญญาคอยตรวจตราสอสองอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นสมาธิหัวต่อไปได้จิตสงบจิตรวมต้องมีสติปัญญาคอยแฝงอยู่เสมอจิตเกิดความรู้อะไรขึ้นมาจิตออกรู้อะไรบ้างสิ่งที่รู้นั้นๆจะควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักของผู้ต้องการความรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องถ้าไม่มีปัญญาแฝงอยู่ด้วยแล้วต้องทําให้เห็นผิด ยึดผิดไปจนได้เพราะความรู้ต่างๆทั้งข้างในทั้งข้างนอกที่เกี่ยวกับสมาธิไม่มีประมาณสุดแต่จะปรากฏขึ้นมาและผ่านเข้ามาในรายที่นิสัยจะควรรู้ควรเห็นเป็นต้องรู้ต้องเห็นจะห้ามไม่ให้รู้ให้เห็นย่อมไม่ได้แต่สําคัญอยู่ที่ปัญญาจะคัดเลือกเก็บเอาเท่าที่พิจารณาเห็นว่าควร น, นอกนั้นก็ปล่อยให้ผ่านไปอย่างนักปัญญาเมื่อยึดถือไว้ให้ก่อคกนตัวเองอยู่ไม่หยุดถ้าขาดปัญญาเพียงขั้นสมาธิก็ออกไปไม่ตลอด คือต้องยินดีกับสิ่งนั้นยินร้ายกับสิ่งนี้เพลิดเพลินกับสิ่งนั้นเศร้าโศกกับสิ่งนี้ซึ่งล้วนเป็นอารมณ์เขย่าใจให้หลุมหลงไปตามทั้งสิ้นอารมณ์ที่มาปรากฏทํำไมกําจัดด้วยปัญญาจะตกไปได้ยากนอกจากจะพาให้เป็นอารมณ์ก่อกวีอยู่ไม่หยุดเท่านั้นแต่ถ้าคัดเลือกด้วยปัญญาแล้วจะมีทางผ่านไปได้ที่ยังเหลืออยู่ก็เฉพาะที่ปัญญาคัดไ้เท่านั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจาเป็นในธรรมทุกขั้น ผู้ก้าเข้ามาบวชในศาสนาก็คือการก้าวเข้ามาหาความรู้ความฉลาดเพื่อคุ้นงามความดีทั้งหลายที่โลกปรารถนากันไม่ได้เข้ามาสั่งสมความโง่เขลาเบาตัวเลเหเลี่ยมของกิเลส ต, ตัวหลอกลวงแต่เพื่ออุบายปัญญาพริกแพงให้ทันเรื่องของกิเลส ต, ต่างหาเพราะคนเราอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกภายในเครื่องป้องกันตัวของนักบวชคือหลักธรรมวินัย มีสติปัญญาเป็นอาวุธสาคัญถ้าต้องการความเป็นผู้มั่นคงต่อสิ่งทั้งหลายไม่สะทกสะทานจึงควรเป็นผู้มีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบทจะคิดจะพูดจะทําอะไรอะไรก็ตามไม่มีการยกเว้นสติปัญญาที่จะไม่เข้ามาสอดแทรกอยู่ด้วยในวงงานที่ทําทั้งภายนอกภายในจะเป็นที่แน่นอนต่อคติของตนทุกๆระยะไปผมปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นบรรดาลูกศิษย์มีความเข้มแข็งตอดอน ต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยความเพียรทุกประโยคที่เต็มไปด้วยสติปัญญาเป็นหัวหน้างานไม่งุมงงามเสอะซ่าตัวตเองตลอดธุระหน้าที่ทั้งหลายสมกับาศาสนายอดเยี่ยมโดยหลักธรรมที่สอนคนให้ฉลาดทุกแง่ทุกมุมแต่ไม่ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นผู้ป ฏ, ฏิบัติที่มาอาศัยอยู่ด้วยเป็นคนอ่อนแอโง่เง่าเตาตุนวุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจและเกียร์คร้านในกิจการที่จะยกตัวให้พ้นภัย ไม่ขยันคิดอ่านด้วยความสนใจในงานของตัวทุกประเภทเพราะงานของพระผู้พร้อมแล้วเพื่อข้ามโลกข้ามสงสารเป็นงานชั้นเยี่ยมไม่มีงานใดในโลกจะหนักนวงทวงใจยิ่งกว่างานยกกิจให้พ้นจากค้วงแห่งวัฏทุกงานนี้เป็นงานที่ทุ่มเทกําลังทุกด้านแม้ชีวิตก็ยอมสละไม่อะไรเสียดายจะเป็นจะตายก็เหมาะไว้กับความเพียรเพื่อรื้อถอนตัวให้พ้นจากหลมลึกคือกิเลส ท, ทั้งมวล ไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนงานอื่นๆจะรู้จะเห็นทำอัศจรรย์ที่ไม่เคยพบเคยเห็นก็รู้และเหน็นกันกับความเพียรที่สละตายไม่เสดาจชีวิตนี่แหลวิธีอื่นๆก็ยากจะฆ่าถูกได้การทําความเพียรของผู้ตั้งใจจะข้ามโลกไม่ขอเกิดมาแบกหางความทุกข์อาณาชนิดอีกต่อไปต้องเป็นความเพียรชนิดเอาตายเขาแหลกกันเฉพาะผมเองก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะไม่ได้นึกว่าชีวิตจะยังเหลือเดินมาเลย เพะความมุ่งมั่นต่อทำแดนหลุดพ้นมีระดับสูงเหนือชีวิตที่ครองตัวอยู่การทําความเพียรทุกประโยคและทุกอิรยาบทได้ตั้งเข็มทิศไว้เหนือชีวิตทุกระยะไม่ยอมให้ความอาลัยเสียดายในชีวิตเข้ามากีดกวางในวงความเพียนเลยนอกจากความบีบบังคับของจิตที่เต็มด้วยความหวั ง, งต่อทางหลุดพ้นเท่านั้นเป็นผู้บงการแต่ผู้เดียวว่าถ้าขันทนไม่ไหวจะแตกตายไปก็ขอให้แตกไปเราเคยตายมาแล้วจนเบื่อระอา ทำไมตายขอให้รู้ทำที่พระองค์รู้เห็นอย่างอื่นไม่ปรารถนาอยากรู้อยากเห็นเพราะเบื่อต่อการรู้เห็นมาเต็มประดาแล้วบัดนี้เราอยากรู้เพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่เรารู้แล้วไม่ต้องกลับมาลุ่มหลงเกิดตายอีกต่อไปสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งของเราในบัดนี้ส่วนความเพียรที่หมุนไปทางความอยากรู้อยากเห็นทำดวงนั้นจึงเป็นเหมือนโรงจากที่เปิดทางานแล้วยอมปิดเครื่องปล่อยให้หมนตัวเป็นธรรมจกัก ฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสวัตตะทั้งหลายไม่มีวันมีคืนไม่มีอริยบทใดว่าได้ย่อหย่อนความเพียรเว้นแต่ละไปเสียเท่านั้นเป็นเวลาพักงานชั่วคราวพอตื่นขึ้นมามือกับงานคือสติปัญญาสถาความเพียรกับกิเลสที่ยังเหลือเป็นเชื้อเรื้อรังอยู่ภายในมากน้อยไม่ว่างต่อการรบพุ่งชิงชัยกันเลยจนถูกทําลายด้วยสติปัญญาสถาความเพียรให้ราบเปรียบไปหมดอย่างสบายหายห่วง นับแต่ขณะนั้นมาส่วนที่ตายไปคือกิเลสทั้งหลายก็ทราบว่าตายไปอย่างสนิทไม่กลับเฟินคืนมาขอกวร ว, วุ่นวายได้อีกส่วนที่ยังเหลือคือชีวิตธาตุขันก็ทราบว่ายังพอทนต่อไปได้ไม่แตกสลายไปตามกิเลสขณะที่เข้าสู่สงครามทําการหาโขมกันอย่างสุดกําลังทุกฝ่ายสิ่งที่ทางฝ่ายทางหมายยึดครองถึงกับต้องทําสงครามยื้อแย่งแข่งชัยชนะกันนั้นคือใจอันเปรียบเหมือนนางงาม ได้ตกมาเป็นสมบัติอันล้ำเลิศประเสริฐสุดของฝ่ายเราเรียกว่าอมตะจิตหรืออมตะธรรมใครค้นพบผู้นั้นประเสริฐโดยไม่มีอะไรมาเสกสรรแต่ธรรมนั้นอยู่ฝากตายถ้าใครกลัวตายจะได้ทุกขชอบถือเอาความสนุกในการเกิดว่าเลิศเลยผู้นั้นต้องจัดว่าลืมตัวมัวประมาทและชอบผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาว่วาเช้าสายบ่ายเย็นไม่อยากบำเพ็ญความดีสาหรับตนในเวลาที่เป็นฐานะพอทาได้อยู่ ความประมาทท้งนี้ยังจะพาให้หลังน้ําตาด้วยความทุกข์ในสงสารไม่อาจประมาณได้ว่ายังอีกนานเท่าไรจึงจะผ่านพนแหล่งกันดารอันเป็นที่ทรมานไปได้จึงขอฝากปัญหาธรรมเหล่านี้ไว้กับท่านทั้งหลายนําไปคบคิดด้วยว่าเราจะเป็นฝ่ายคืบหน้ากล้าตายด้วยความเพียรหมายพึ่งทำไม่เหลี้ยวหลังไปดูทุกข์ที่เคยเป็นภาระให้แบกหามด้วยความเจ็บแสบและปวดร้าวในหัวใจมาเป็นเวลานาน หรื อ, อยังจะเป็นฝ่ายเสียดายความตายแล้วกลับมาเกิดอีกอันเป็นตัวมหันต ท, ทุกข์ที่แสงทรมานอีกต่อไปรีบพากระนำไปพิจารณาอย่าโมเมาเฝ้าทุกข์และหายใจทิ้งเปล่าดังที่เป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้จะช้าทางและเสียใจเป็นนานเพราะโรงดัศนีนกิเลสตัวพาให้ไหวบอ ก, อกอกแตกแบกกองทุกข์ไม่มีเวลาปรงวางนั้นไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นใดและโลกไหนๆแต่มีอยู่กับผู้ตั้งนาบาเพล ด้วยการใช้หัวคิดปัญญาสตาความเพียรเป็นเครื่องมือบุกเบิกเพื่อพ้นไปนี้เท่านั้นเมื่อหยุดหย่อนนอนใจว่าการเวลายังอีกนานสังขารยังไม่ตายร่างกายยังไม่แก่ซึ่งเป็นความคิดที่ทําให้แย่ลงโดยฐานเดียวผู้ที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติจึงไม่ควรคิดอย่างยิ่งอันหนึ่งผู้จะพาให้บิดพลาดและพาให้ฉลาดแหลมคงก็มีอยู่กับใจดวงเดียวจะเป็นผู้ผลิตไม่มีอยู่ในที่ใดๆจึงไม่ควรตั้งความหวังไว้กับที่ใดๆ ที่ไม่ได้สนใจดูตัวเองตัวจากเครื่องทำงานคือกายวาจาใจาที่กำลังหมุนตัวกับงานทุกประเภทอยู่ทุกขณะว่าผลิตอะไรออกมาบ้างผลิตยาถอนพิษคือทำเพื่อแก้ความไม่เบื่อหน่ายและอิ่มพอในความเกิดตายหรือผลิตยาบารุงส่งเสริมความโมัวเมาเหมาทุกให้มีกำลังขยายวัตวนให้ยืดยาวกว้างกวางออกไปไม่มีสิ้นสุดหรือผลิตอะไรออกมาบ้างควรตรวจตราดูให้ละเอียดทีท้วน ไม่เึ่นนั้นจะเจอแต่ความฉิบหายล่มจมม่นมีวันโผล่ตัวขึ้นจากทุกข์ที่หลกทั้งหลายกลัวๆ ก, กันได้เลยท่านแสดงธรรมโดยถือเอัพระที่เป็นต้นเหตุอารัธนาท่านให้แสดงตามที่รู้ที่เห็นซึ่งต่างๆแก่โลกอย่างไม่มีขอบเขตนั้นปรากฏว่าท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนมากทางเนื้อธรรมก็ทรงรสชาติอย่างมหัศจรรย์ยากจะได้ยินได้ฟังพระผู้เป็นต้นเหตุให้ท่านต้องแสดงก็ไม่น่าจะผิดตามที่ท่านดูดาคูเข็น แต่อาจจะเป็นอุบายวิธีอาราธนาให้ท่านแสดงคำโดยทางอ้อมก็ได้เท่าที่เคยสังเกตท่านตลอดมาถ้าท่านแสดงคำตามปกติไม่มีอะไรเข้าไปสัมผัสหรือกระเทิอนถึงใจหรือถึงธรรมท่านท่านชอบแสดงไปเรียบเรียบแม้จะแสดงคำชั้นสูงก็ถนองเดียวกันผู้ฟังรู้สึกจะขาดอะไรอะไรอยู่บ้างไม่จุใจแต่ถ้ามีรายใดรายหนึ่งก่อเหตุขึ้นเป็นเชิงเรียนถามปัญหาท่านหรือสนทนาธรรมกันเองต่อหน้าท่าน แบบผิดผิดถูกถูกพลอยท่านรำคาญหรือทําที่กําลังสนทนากันไปสะดุดใจท่านเข้าขณะนั้นนั่นแลเป็นขณะที่ทำภายในใจท่านเริ่มไหวตัวออกมาผิดปกติและแสดงออกทางวาจาอย่างเผ็ดร้อนถึงใจทั้งท่านผู้แสดงและผู้ฟังอย่างเพลินใจและทุกครั้งที่ท่านแสดงแบบนี้ต้องเป็นที่ทราบซึ้งดื่มดํมหรือที่จะพรันานาให้ถูกต้องกับความรู้สึกได้ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้มีนิสัยอยากจึงชอบฟังทมที่ท่านแสดงแบบนี้ มากกว่าแบบอื่นๆเพราะเห็นว่าถูกกับจริตนิสัยที่หยาบของตนมากฉะนั้นท่านผู้เป็นต้นเหตุอาราธนาท่านด้วยอุบายวิธีต่างๆถึงกับท่านได้แสดงทาแบบเผ็ดร้อนออกมานั้นจึงเข้าใจว่าเป็นความแยบคลายของแต่ละองค์จะหาอุบายแสดงออกตามสติปัญญาของตนซึ่งไม่ควรจะผิดไปทีเดียวอาจมีเจตนาเพื่อประโยชน์แก่ตนแฝงอยู่กับคําอาราธนานั้นด้วยท้งนี้เมื่อมาถึงเวลาของผู้เขียนได้สดัดทำจากท่านจริงๆแล้ว โดยมากได้ฟังธทมเด็ดเดียวที่ให้เกิดความอาถรรพ์ร่าเริงว่าจะเกิดจากวิธีเรียนถามปัญหาซอกแสกกับท่านมากกว่าวิธีอื่ น, นขณะท่านอธิบายทมข้อถูกกับจุดที่ตรงการซึ่งผิดกับการแสดงแบบแกงหม้อใหญ่ไปไหนไหนดังนั้นเมื่ออยู่กับท่านนานไปก็ค่อยทราบวิธีสสแสวงหาถามกับท่านกว้างกวางออกไปไม่รอคอให้ท่านหยิบยื่นให้ถ่ายเดียวยังพอมีอุบายขอร้องต่างๆพอให้ท่านเมตตาบ้าง โดยไม่ใช่วันประชุมแสดงธรรมตามปกติท่านพิจารณาเห็นถ้ำด้วยตาทิพย์ท่านกับหมู่คณะราวสามสี่องค์ที่อวิเวกมาพักอยู่ถ้ำเชียงดาวได้ประมาณสองคืนพอตื่นเช้าคืนที่สามท่านบอกว่าคืนนี้ภาวนาปรากฏเห็นถ้ำใหญ่และกว้างขวางน่ายอยู่มากอยู่บนยอดเขาสูงและชันถ้ำนี้สมัยคนก่อ น, นเคยมีพร ะ, ระเจเกพุทธเจ้าทั้งหลายมาพักเสมอแต่พระเราสมัยนี้ไปอยู่ไม่ได้เพราะสูงและชันมาก ทั้งไม่มีที่โคจรบินทบาดท่านสั่งให้พระขึ้นไปดูถ้านั้นและกําชักว่าก่อนขึ้นไปต้องเตรียมสเสบียงอาหารขึ้นไปพร้อมทางขึ้นไม่มีให้พยายามปีนป่ายขึ้นไปโดยถือเอายอดเขาลูกนั้นเป็นจุดที่หมายคือถ้ำที่ว่านี้อยู่ใต้ยอดเขานั้นเองพระและโยมได้พากันขึ้นไปดูตามคําที่ท่านบอกเมื่อขึ้นไปถึงแล้วปรากฏว่าถ้านั้นสวยงามและกว้างกวางมากดังที่ท่านว่าจริงๆอากาศปลอดโปรง่งสบายน่าอยู่มาก เราเกิดความชอบใจอยากพักอยู่วังเพียนสมณธรรมเป็นเวลานานๆแต่จําเป็น ด, ด้วยที่โคจรบินถบาศไม่มีเพราะถ้ำอยู่สูงและห่างไกลจากหมู่บ้านมากพอสเสบียงจนหมดจําต้องลงมาเมื่อลงถึงที่พักท่านถามว่าเป็นอย่างไรถ้าสวยงามน่อยู่ไหมผมเห็นในนิมิตภาวนารู้สึกว่าถ้ำนั้นทั้งกว้างขวางและสวยงามมากจึงอยากให้หมู่เพื่อนขึ้นไปดูใครๆคงจะชอบกันแน่ แต่ก่อนผมก็ไม่ได้สนใจพิจารณาว่าจะมีสิ่งแปลกๆอยู่ในเขาลูกนี้แต่พอพิจารณาจึงทราบว่ามีของแปลกและอัศจรรย์อยู่ที่นี่มากมายหลายชนิดในถ้าที่พวกท่านขึ้นไปดูนั้นยังมีรูปเทพอารักขาอยู่เป็นประจําตลอดมาไม่ได้ขาดใครไปทําอะไรที่ไม่สมควรในที่นั้นไม่ได้ต้องเกิดเป็นต่างๆขึ้นมาจนได้ขณะที่สั่งให้พวกท่านขึ้นไปดูผมก็ลืมบอกว่าที่นั้นมีพวกเทพอารักขาอยู่ ควรพากันสํารวมระวังมัญญา่าและอาการทุกส่วนอย่าไปส่งเสียงอื้อเอิองผิดพิสัยของสมณะเกรงว่าจะเกิดความไม่สบายต่างๆขึ้นมาเพราะความไม่พอใจของพวกเทพที่อารักขาอยู่ในสถานที่นั้นอาจบันดาลให้เป็นต่างๆได้พระที่ขึ้นไปได้กราบเรียนท่านตามที่ได้ประสบมาและแสดงความประสงค์อยากอยู่ท่านนั้นเป็นเวลานานๆท่านตอบว่าแม้จะสวยงามและน่าอยู่เพียงไรก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีข้าวจะกินดังนี้ อาการที่ท่านพูดกับพระที่ไปดูถ้ำกลับลงมาเป็นคําพูดธรรมดาธรรดาระหนิงท่านเคยเห็นถ้ำ น, นั้นด้วยตา ม, มาแล้วหลายครั้งทั้งที่ไม่เคยขึ้นไปเลยเพราะอยู่สูงในชันขึ้นลงลําบากมากแต่กลับถามว่าหน้าอยู่ไหมซึ่งเป็นคําพูดออกมาจากความแน่ใจจริงๆไม่ได้สงสัยว่าความรู้ทางด้านภาวนาจะโกหกหลอกลวงเลยที่ท่านเตือนพระให้พากันสำรวมระวังเวลาพักอยู่ในที่ต่างๆไม่เฉพาะเพียงถ้ำ น, นั้นแห่งเดียว นั้นเกี่ยวกับพวกเทพที่สถิตอยู่ในที่นั้นๆซึ่งชอบความเป็นระเบียบนามตาและชอบสะอาดมากเวลาพวกรู้กเทพไม่เห็นอากาศกิริยาของพระที่จัดวางอะไรไว้ไม่เป็นระเบียบเช่นการหลับนอนไม่มีมรญญานอนหงายเหมือนเปรดทึงเนื้อทึ้งตัวบนพืมพรมด้วยการละเมอเพอ้อฝันไปต่างๆเหมือนคนไม่มีสติแม้จะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของคนนอนหลับจะรักษาได้ก็าตามแต่พวกเทวดามีความอิดนาระอาจัยอยู่เหมือนกัน และเคยมาเล่าให้ท่านอาจารย์นั่นทราบเสมอและเล่าว่าพระซึ่งเป็นเพศที่น่าเหลื่อมใสและเย็นตาเย็นใจแก่โลกที่ได้เห็นได้ยินจึงควรสำรวมระวังกิริยามารยาททั้งการหลับนอนและเวลาปกติพอเป็นความงามตาเย็นใจแก่ตนและถวยเทพตลอดมนุษย์ทั้งหลายบ้างไม่สแสลงตาสแสลงใจจนเกินไปเมื่ อ, อยังพอมีทางรักษาได้อยู่ไมอยากให้เป็นไปแบบคารวาะซึ่งไม่มีขอบเขต หรือปล่อยไปตามยถาตรรมจนเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้ย่อมอยู่ในวิสัยของพระจะทําได้การมาเล่าเรื่องทางนี้ไม่ได้มุ่งมันมาทํานีติเตียนพระว่าไม่ดีโดยทายเดียวแต่เทวดาทั้งหลายก็มีส่วนแห่งความดีและเจตนาหวังเทิดทูนพระศาสนาพร้อมทั้งมีความพอใจกราบไหว้พระสงฆ์ผู้มีมัญญาตอันดีประจันทิสัยของพวกเทวดาเหมือนกันจึงใคร่ขอกราบท่านเพื่อได้ตักเตือนพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ ได้ตั้งอยู่ในท่าสำรวมพอเป็นที่งามตากแก่มนุษย์มนาตลอดเทวดาอินพรหมทั้งหลายบ้างเทวดาทั้งหลายก็จะพลอยมีส่วนเพิ่มพูนความเคารพเครื่องสายขึ้นอีกมากมายจากความดีของพระที่น่าเลื่อมใสนี้เป็นคำของพวกเทวดามาเล่าถวายท่านดังนั้นเวลาท่านกับพระลูกศิษย์พักอยู่ในป่าในเขาลึกซึ่งเป็นที่สถิตของพวกลุกเทวดาท่านจึงคอยเตือนพระอยู่เสมอเกี่ยวกับการวางบริหารเครื่องใช้สอยต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดผ้าเช็ดเท้าท่านก็สั่งให้พับแะเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบไม่ให้ทิ้งระเกะระกะการขับถ่ายก็ให้เป็นที่เป็นทางและกำหนดทิศทางว่าควรจะทำส่วมสำหรับถ่ายในที่เช่นไรบางครั้งท่านก็สั่งพระตรงๆเลยว่าไม่ให้ไปทำส่วมหนักส่วมเบาทางทิศนั้นหรือต้นไม้นั้นเพราะพวกเทวดาที่สถิตยอยู่หรือเทวดามาทางทิศนั้นจะรังเกียจและยกโทษเอาดังนี้ก็มี ถ้าเป็นพระที่รู้เรื่องของพวกเทวดาได้ดีอยู่แล้วก็ไม่หนักใจที่ท่านอาจารย์ต้องบอกกล่าวเพราะท่านองค์นั้นย่อมทราบวิธีปฏิบัติต่อเทวดาโดยถูกต้องและพระที่เป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นมีความสามารถในทางนี้อยู่ไม่น้อยเป็นแต่ความรู้ของท่านเป็นประเภท ป, ป่าจึงไม่อาจแสดงตัวอย่างเปิดเผยกลัวนักป ร, ราบจะหัวเราะเยาะเราพอทราบได้เวลาท่านสนทนาการเรื่องเทวดาประเภทและภูมิต่างๆกันมาเยี่ยมท่าน เขามีเรื่องอะไรบ้างมาสนทนาหรือทําปัญหาท่านท่านนํามาเล่าสู่กันฟังเราก็พลอยทราบภูมิจิตใจท่านที่เกี่ยวกับทางนี้ไปด้วยในถ้ำเชียงดาวซึ่งมีช่ายถ้ายาวเข้าไปในกลางเขาที่ประชาชนชอบเข้าไปเที่ยวกันเป็นประจำแต่เป็นถ้ำหนึ่งที่สูงขึ้นไปกว่าถ้ำที่ท่านพักอยู่ท่านว่าในถ้ำที่ท่านพักมีพญานาคตัวหนึ่งรักษาถ้าอยู่เป็นประจำมาเป็นเวลานานแต่รู้สึกจะเป็นพญานาคมิจฉาทิฐิ จึงชอบยกโทษพระไม่มีประมาณแห่งความพอดีขณะท่านพักอยู่ถ้ำนั้นถูกพญานาคตนนั้นตมิตรีดีด้วยเรื่องต่างๆอยู่เป็นประจำเวลาแผ่เมตตาส่วนกุศลให้ก็รู้สึกว่ารับได้ยากคงจะเคยมีกรคำกับพระมานานยังไม่จบสิ้นลงได้ขณะท่านพักอยู่ที่นั้นจึงยกโทษอยู่เป็นประจำแทบทุกอิริยาบทแม้ขณะหลับตอนกลางคืนเวลาท่านใส่รองเท้าเดินจงกรมมีเสียงดังบ้าง กวาสมณะอะไรเดินจงกรมมีเสียงดังราวกัเสียงหมากแข็งไม่สำรวมระวังบ้างเลยเสียงรองเท้ากระทบดินและหินกระเทือนทั่วภูเขาไม่คิดว่าใครจะมีความลำบากลำคาญบ้างเลยดังนี้ทั้งที่ท่านก็เดินไปมาอย่างเบาๆในท่าสำรวมของผู้บําเพ็ญธรรมไม่ผิดไปจากปกติธรรมดาเลยพอท่านทราบว่าพญานาคยกโทษก็พยายามระวังเดินเบาๆก็ยังถูกว่าอีกว่า สมณะอะไรเดินจงกรมเรากับเขาด้อมจะยิงนกบางครั้งเท้าท่านไปสะดุดหินทางจงกรมมีเสียงดังตุดตับบ้างเท่านั้นก็ว่าสมณะอะไรเดินจงกรมเรากับเขาเต้นรำระบาโปขยโยขโยเกไม่สำรวมระวังบ้างเลยบางคราวท่านตกแต่งทางจงกรมพอเดินได้สะดวกไม่ครุข่าเกินไปพอยกหินก้อนนั้นมาวางยกก้อนนี้มาวางเรียงรายตามทางจงกรมก็ว่าสมณะอะไรไม่สำรวม จับน้นโยนนี่อยู่ไม่เป็นสุขไม่คิดว่าศีรษะใครจะแตกเพราะความกระทบกระเทือนจากความอยู่ไม่เป็นสุขของตนไม่ว่าการไปการมาการเข้าการออกในบริเวณนั้นท่านต้องทำความระมัดระวังเป็นพิเศษแม้เช่นนั้นยังต้องได้รับความต น, นิ จ, จากพญานาคตัวมิจฉาทิฐิจนได้ตอนกลางคืนท่านพักจำวัดขณะหลับไปอวัยวะส่วนต่างๆอาจไหวติ่งไปบ้างพอตื่นนอนขึ้นมา วามรู้สึกที่บันทึกไว้โดยตอลอดก็บอกว่าพญานาคตรีว่าท่านนอนทําเสียงตุกติกบ้างเสียงหายใจฟูดฟาดบ้างเสียงกรนบ้างร้อยแปดขณะท่านกําหนดจิตดูพญานาคตนขี้โมโหและแสนยกโทษเก่งทีไรปรากฏว่าโกรธศีรษะออกมาคอยจ้องมองท่านอยู่เป็นประจำประหนึ่งไม่ยอมพลิกสายตาไปที่อื่นเลยถ้าเป็นคนก็หน้าเสือใจยักษ์ท่านว่าไม่ยอมรับส่วนบุญจากใครเลย ตั้งหน้าสร้างแต่ความโมโหโทโศอันเป็นไฟเผาตัวอยู่ตลอดเวลาท่านเองก็เมตตาสงสารกลัวพญานาะคตนนั้นจะเป็นบาปกรรมหนักเข้าทุกทีแต่ก็สุดวิสัยที่จะอนุเคราะห์ได้ในระยะนั้นเพราะเธอไม่มาสนใจในเหตุผลอัธรรมเอาเลยมีแต่คอยยกโทษอยู่ท่าเดียวบางครั้งท่านก็เตือนเธอให้ทราบเรื่องของสำนักบ้านเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิบายเรื่องขององค์ท่านเองให้พญานาคทราบว่าท่าน มิได้มาเพื่ อ, อก่อกวรมทำเข็นแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากมาบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างเต็มกำลังความสามารถที่จะทำได้เท่านั้นท่านไม่ควรติดใจใฝ่ตำว่าอาตมาจะมาทำความเดือดร้อนเสียหายแต่พยายามทำความดีทุกขณะที่ระลึกได้ผลบุญที่บำเพ็ญมามากน้อยก็ได้แผ่ไปยังสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณท่านเป็นผู้หนึ่งในจำนวนสัตว์โลกที่ควรจะได้รับส่วนบุญที่อาตมาแผ่บุธให้ จึงไม่ควรเดือดร้อนเสียใจว่าอาตมาจะมารบกวนความสุขที่คุณจะได้การเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ยังเป็นอยู่ซึ่งทั่วโลกจะต้องมีการพลิกไปเปลี่ยนมานอกจากคนตายถ้าตายแล้วท่านั้นจะไม่มีกระดุกกระดิกอาตมาแม้เป็นสมณะซึ่งเป็นเพศที่สำรวมแต่ไม่ได้สำรวมแบบคนตายเพราะลมหายใจยังมีอยู่จึงจำต้องสูดเข้าสูดออกค่อยบ้างแรงบ้างขณะหลับลมหายใจก็ยังทำงาน และร่างกายทุกส่วนก็ยังทํางานเช่นเดียวกันซึ่งจําต้องมีเสียงอยู่บ้างเป็นธรรมดาขณะตื่นนอนออกเดินจงกรมและทํากิจธุระบางอย่างก็ย่อมทราบว่าทํางานและจําต้องมีเสียงเช่นกันแต่ก็มิได้เลยขอบเขตท่านเคยเห็นสมณะที่ไหนบ้างที่ไม่มีการกระดุกกระดิกยืนแข็งโดอยู่ราวกับของตายเข้าใจว่าคงไม่มีในโลกมนุษย์เราการเดินจงกรมก็พยายามค่อยเดินค่อยไปในท่าสํารวม แต่ก็อดถูกตำหนิจากท่านไม่ได้ว่าเดินราวกับม้าแข็งเป็นต้นความจริงแล้วม้าแข็งซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานกับสมณะผู้มีศีลสำรวมเดินจงกรมด้วยท่าระวังตั้งสตินั้นผิดกันราว้ากับดินท่านไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกันถ้าไม่ใช่ผู้อาภัพในความดีทั้งหลายหมายยึดเอานรกเป็นเรือนนอนเท่านั้นอาตมาก็สุวิสัยที่จะปฏิบัติให้ถูกใจไปเสียทุกอย่างทั้งที่ไม่ถูกทางถ้าท่านยังหวังความสุขความเจริญเหมือนโลกทั้งหลาย ท่านควรสํานึกในความผิดถูกชั่วดีของตนบ้านจะไม่หาแตนนรกเข้าไปเผาใจตลอดเวลายังจะมีทางออกบ้านการตําหนิตีเตียนผู้อื่นแม้เขาจะเป็นผู้ผิดจริงยังจัดว่าเป็นการก่ อ, อ ก, กวนจิตใจตนให้ขุนมัวไปด้วยอยู่นั่นเองเฉพาะการเคลื่อนไหวของอาตมายังมองไม่เห็นว่าได้ผิดพลาดจากหลักของสมณะไปที่ตรงไหนบ้างแต่ก็ได้รับความตําหนิจากท่านเรื่อยมาท่านนะถ้าเป็นคนก็น่าจะอยู่กับโลกเขาไม่ได้ คงจะเห็นโลกเป็นมูนแห้งมูลสดไปหมดแต่จะสําคัญตนว่าเป็นทองแท่งแทงที่จะขะเขากับโลกที่เต็มได้วยมูลไม่ได้เพราะความเดือดร้อนวุ่นวายของใจที่คิดแต่เรื่องยกโทษผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขการยกโทษผู้อื่นโดยไม่มีขอบเขตนั้นะปราถือว่าเป็นความผิดและเป็นบาปกรรมไม่มีชิ้นดีเลยสําหรับท่านทําไมจึงชอบแสวงยิ่งนะักโดยไม่สนใจคิดว่าสร้างบาปหาบทุกใส่ตัวดังท่านตนิอัตมา แต่อาตมาไม่เป็นทุกข์เลยส่วนท่านรู้สึกกระวนกระวายสายแสยอยู่ภายในไม่เป็นสุขเมื่อผลก็เห็นเห็นกันอยู่ประจักษ์ใจแต่ทําไมจึงไม่ทราบว่าความคิดนั่นเป็นทางให้ความผิดท่านคิดอะไรออกมาอาตมารทราบอยู่อย่างเต็มใจพร้อมทั้งให้อภัยอยู่ตลอดมาแต่ท่านก็ยังตั้งหน้าตั้งตาสร้างเอาสร้างเอาในบรรดาการทั้งหลายที่จะเาผาผลาญตัวให้จิบหายยอยยับท่านช่างเป็นนิสัยไม่เบื่อในบาปกรรมเอาเลย ถ้าเป็นโรคก็สุดกําลังยาจะตามแก้ไขให้หายได้อัตมาเองได้พยายามแก้ไขยอยู่ภายในและอนุเคราะห์สัตว์ร่วมโลกมากมายหลายจำพวกมาเป็นเวลานานมนุษย์และเปรต ผ, ผีเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ตลอดพญานาคที่มีฤทธาศักดินุภาพมากกว่าท่านเป็นไหนๆท่านเหล่านั้นยังยอมรับความจริงจากธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีใครยกโทษโกรธเคืองว่าทําไม่ดียังยอมรับนับถือกันโทษโลกทานแต่มาประหลาดเฉพาะท่านเพียงผู้เดียว ที่เป็นสัตว์โลกที่แปลกและพิสดารอยู่ไม่น้อยไม่ยอมรับความจริงจากอะไรเอาเลยสิ่งที่ท่านยอมรับและชอบใจไม่มีวันอิ่มพอนั้นคือการติเตียนยก โ, โทษโกรธกลิ้วผู้อื่นที่ไม่มีความผิดสิ่งนี้ท่านเข้าใจว่าเป็นความรุ่งเรืองสําหรับท่านจึงพยายามสั่งสมไม่ยอมลดละปล่อยวางฉะนั้นคติของท่านจึงไม่มีนักปลาท่านใดยืนยันรับรองได้ว่าปลอดโปร่งโล่งใจในเวลาท่านถ่ายคราบจากพบที่กําลังอ า, าพาธอยู่ขณะนี้แล้ว จะเป็นผู้ผ่องใสไร้ทุกข์ไม่มีบาปการรมติดตัวอาตมาต้องขออาภัยที่ได้ตัดสินใจพูดกับท่านอย่างตรงไปตรงมาตามหลักธรรมด้วยความหวังดีมิได้มีสิ่งเป็นพิษมาแอบแฝงเลยนอกจากท่านจะคิดเอาเองตามชอบใจเท่านั้นก็สุดวิสัยที่จะทำตามได้ทุกสิ่งซึ่งอาจไม่ควรก็มีนัาแต่ขณะแรกที่อาตมามาพักอยู่ที่นี่ได้พยายามทำความระวังสำรวมทั้งกิภายนอกการภายในไม่ประมาทเพระาะทราบดีว่าท่านมาประจำอยู่สถานที่นี้ เกรงว่าจะไม่ได้รับความสะดวกใจแล้วก็ทราบ ด, ดีว่าท่านเป็นสัตว์โลกที่มีนิสัยหนักมาในทางชอบสแสวงหาโทษผู้อื่นมาเป็นความพอใจแม้เช่นนั้นก็ไม่พ้นจากการถูกมองไปในแง่ผิดๆต้องมาเจอเอาจนได้สำหรับอาตมามีความสุขใจโดยสม่ำเสมอแม้จะถูกตำหนิอยู่ทุกขณะที่เคลื่อนไหวแต่เกรงท่านผู้ตำหนิเสียเองจะเป็นบาปหาทุกเพราะขวนขวายอยู่ทุกขณะิที่แสดงออกอาตมามิได้มาสแสวงหาบาปหาบกรรมอันเลวทรามจึงแน่ใจว่า เป็นผู้บริสุทธิ์ทางการแสดงออกทุกประตูและไม่กลัวบาปกรรมว่าจะมีทางติดตามได้นักปราชญ์ทั้งหลายนับแต่เริ่มแรกแยกสมมุติออกมาเป็นโลกเป็นธรรมท่านมีความยินดีและชมเชยในกุศลผลบุญทั้งหลายทั้งที่ท่านสร้างขึ้นเองและผู้อื่นสร้างขึ้นเพื่อเป็นความร่มเย็นแก่ตนและทําการอบรมสั่งสอนโลกให้มีความชื่นบานหันสาในความดีตลอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันแต่ท่านเองทําไมจึงมีความเห็นผิดแปลกและแหกข้อกล้อความดีออกจากตัว และกลับเมาโม่โม่มมสมในสิ่งชั่วเกลียดกลัวความดีจนฝังใจโดยไม่สนใจระลึกตนบ้างเลยอาตมาเองแม้ไม่ใช่ผู้สเสวยกรรมแทนท่านแต่กลัวความทุกข์มหันแทนท่านผู้จะรับสเสวยผลทนทุกข์อยู่มากจึงไม่อยากให้ท่านคิดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแก่ตนเพราะความไม่ดีที่ทําทุกประเภทล้วนเป็นสิ่งมีอานาจอาจบรรดาลผู้ทําให้กลายเป็นผู้ไร้สาระคุณโดยสิ้นเชิงแต่สิ่งไม่พึงปรารถนาจะกลายมาเป็นสิ่งทรมานอย่างไม่คาดฝัน สิ่งนั้นอาตมากลัวมากกว่าสิ่งใดๆในโลกความแก่เจ็บตายที่โลกกลัวกันแต่อาตมาไม่ได้กลัวมากเท่ากลัวบาปกลัวกรรมการบวชเป็นพระตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนานับว่าเป็นการทรมานใจทรมานสันดานของคนมีกิเลส ท, ที่ชอบในสิ่งที่หลักศาสนาไม่ชอบแต่กลับไม่ชอบในสิ่งที่หลักศาสนาสั่งสอนให้ชอบได้เป็นอย่างดีความลําบากเพราะการฝืนกิเลสอาตมาก็ทราบแต่ก็จําต้องเข้ามาบวชเพื่อทรมานหัวใจตัวเอง การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยทราบว่าลำบากทุกระยะที่ฝืนทรมานแต่ก็จําต้องทรมานเพราะอยากดีและอยากหลุดพ้นจากกรรมอลามกคือกิเลสตัวไม่ยอมไม่ยอมลงรอยเหตุผลและอัธมของพระพุทธเจ้าแม้การมาพักบาเพ็ญประพฤติตัวเป็นคนเหลือเด่นไม่คิดคุณค่าในชีวิตอยู่ในถ้ำเวลานี้เพราะกลัวบาปกลัวกรรมนั่นแหลไม่ใช่กลัวอะไรที่ไหนและมิได้มาหวังทําลายหรือเบียดเบียนท่านผู้ใดให้ลําบาก แม่สัตว์ทุกประเภทในแรงแห่งไตรภพอัตมาก็เคารพไม่ดูถูกเหยียดยามโดยถือว่าเป็นเพื่อนผู้ทรงชีพอยู่ในกรรมของตนเช่นเดียวกันและมีคุณค่าความเป็นอยู่เท่าเทียมกันได้บำเพ็ญจิตแผ่ส่วนกุศลให้ความเสมอภาคและความอยู่เป็นสุขโดยทั่วกันตลอดมาไม่เหลือการสถานที่มิได้เยอะยิงจองหองและลำพองตัวว่าเป็นมนุษย์และเป็นนักบวช ท, ที่มีชาติและเพศอันสูงกว่าเพื่อนสัตว์ผู้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายท่านก็เป็นสัตว์โลกผู้หนึ่งที่อยู่ในข่ายแห่งกรรมอันเดียวกัน จึงควรสํา น, นึกในดีชั่วสุขทุกข์ที่มีอยู่กับตัวตลอดมาการยกโทษผู้อื่นโดยขาดความไตร่ตรองนั้นไม่มีอะไรดีขึ้นพอได้รับประโยชน์บ้างเลยนอกจากเป็นการสังสมโทษและบาปกรรมใส่ตนให้ได้รับความทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดเท่านั้นจึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตนแล้วงดความรู้ความเห็นชนิดเป็นภัยแก่ตนเสียก็จะกลายเป็นผู้ดีมีหวังสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าใจาที่เคยเยี่ยมโหดโกรดกฟิ้วก็จะมีวันสงบเย็น เวลาถ่ายภพถ่ายชาติเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ก็มีหวังผลเป็นกําไรคือความสุขเป็นสมบัติไม่ล่มจมระ ง, งมทุกข์ไปตลอดกาลอันหนึ่งไม่ว่าใจคนใจสัตว์ใจเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ในแหล่งโลกธาตุย่อมมีความรู้สึกรักสุขเกลียดทุกข์และไม่จำหนิทําทว่าเป็นฆ่าศึกต่อตัวเองแม้ปฏิบัติไม่ได้เพราะทําเป็นธรรมชาติล้าเลิศในตรใจภพบมาดั่งเดิมถ้าพอมีทางปฏิบัติหรือเกี่ยวข้องได้เท่าที่กําเนิดและฐานะอำนวยบ้าง สัตว์โลกย่อมพอใจในธรรมเช่นเดียวกับสัตว์ผู้มีกำเนิดที่ควรแก่ทำอยู่แล้วเช่นมนุษย์เป็นต้นส่วนท่านก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนสัตว์โลกผู้รู้ดีรู้ชั่วอย่างเต็มใจพอจะพิจารณาเลือกเฟ้นถือเอาประโยชน์ได้เท่าที่ควรแต่แล้วทำไมจึงกลายเป็นคนละคนและคนละโลกไปได้อาัตามาเองก็แปลกใจที่ท่านไปพอใจแล้วก็อโกยเอาสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายเกลีดกลัวกันและชอบตำหนิสิ่งที่นักปราชญ์ท่านชมเชย คำว่าความทุกข์ท่านเองทั้งซาบทั้งเกลียดกลัวแต่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ท่านทำไมจึงพอใจสั่งสมเอานักหนาคือการทำความพยายามยกโทษผู้อื่นและปราดท่านว่าเป็นการสร้างเหตุแห่งความทุกข์นับแต่น้อยไปถึงมากจนถึงขั้นมหันตทุกข์นี้เป็นกิจประจำตัวท่านที่ทำอยู่ทุกขณะอย่างไม่นึกละอายบาปและอาจเป็นสนใจว่าอาตมาจะทราบแต่อาตมาทราบทุกระยะที่ท่านคิดไม่ดีและให้อภัยท่านตลอดมามิได้ถือโกรธถือโทษอะไรเลย นอกจากสงสารท่านที่กําลังเดินทางผิดเท่านั้นจึงได้ตัดสินใจแสดงความจริงให้ทราบไม่ผิดบงังหากจะพอเกิดประโยชน์แก่ท่านบ้างอัตมาก็พรอยินดีอนุโมทนาด้วยสําหรับอัตมาเองไม่มีโทษทุกเด็ดเเกิดขึ้นแก่ตัวเองจากความคิดดีชั่วของท่านเป็นต้นเหตุเพราะไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นและเก็บสั่งสมไว้ในใจมีแต่ความสงบสุขและความสงสารที่เกิดจากการวางเพลิมาเป็นเริอนอยู่ของใจเท่านั้น ขณะที่ท่านอธิบายธรรมในแง่ต่างๆให้พัญาหน้าฟังเธอไม่ได้ตอบรับคำท่านแม้ประโยคหนึ่งเลยแต่มีความคิดแท้กขึ้นมาในระหว่างซึ่งพอเป็นประโยชน์แก่เธอบ้างว่าสมณนี้พูดมีเหตุผลน่าฟังแต่เรายังไม่สามารถปฏิบัติตามท่านได้ในระยะนี้เพราะยังมีความยินดีในวิสัยของตนอยู่จนกว่าจะผ่านพ้นจากภพนี้ไปแล้วจึงจะสนใจปฏิบัติสมณะนี้มีสิ่งที่น่าเกรงขามอยู่มาก สิ่งที่ไม่น่ารู้น่าเห็นก็รู้เห็นได้ความคิดที่เราคิดขึ้นโดยลําพังทําไมสมณะนี้ทราบได้เราอยู่ในสถานที่ลึกลับทำไมสมณะนี้เห็นได้เราคิดอะไรสมณะนี้ทราบได้โดยตลอดพระที่เคยมาพักอยู่ในถ้ำ น, นี้เป็นจำนวนมากมายแต่ไม่เห็นว่าองค์ใดทราบว่าเราคิดอย่างไรบ้างเราอยู่อย่างไรบ้างซึ่งนับแต่เรามาอยู่ที่นี่คนนํ า, นานแสนนานพระบางองค์ถึงตง้องหนีไปเพราะเราขับไล่ด้วยอุบายต่างๆให้ท่านอยู่ไม่ได้ องเล่เปิดตอนนี้ท่านพระอาจารย์มั่นว่าพญานาคปนพิษให้พระที่มาพักอยู่มีอันเป็นไปต่างๆจนทนอยู่ไม่ได้จำต้องหนีไปองเล่ปิดแต่สมณะนี้ทําไมรู้เห็นเอาเสียทุกอย่างกระทั่งความคิดนึกและยังรู้ไปตลอดที่เราคิดต่างๆแม้ขณะกําลังหลับสนิทอยู่ยังสามารถรู้และนํามาเล่าได้โดยถูกต้องเปร์หนึ่งไม่หลับเลยแต่เราทําไมจึงมีทิฏฐิมานะไม่มีแก่ใจที่จะยอมรับนับถือ และปฏิบัติตามที่สมณะนี้สั่งสอนบ้างเราคงมีกำหนามากดังท่านว่าไม่ผิดแน่เวลาฟังสมณะอธิบายกิจะวะที่ท่านทำประจําวันมิได้มีเจตนาเพื่อความกระทบกระทั่งเรา ท, ทั้งที่ท่านเห็นและทราบความคิดชั่วลามกของเราอยู่ตลอดมาเราเกิดมาชาติก็อาภัพแม้ใจก็ยังอาภัพอีกทั้งที่รู้ดีชั่วอยู่อย่างเต็มใจดังสมณะว่าไม่ผิด เวลาเกิดชาติหน้าก็คงจะเป็นผู้อาภัพอยู่ถลำนี้ไม่มีวันสิ้นกรรมได้เลยอีกพักหนึ่งท่านก็ถามพญานากว่าเป็นอย่างไรบ้างที่อาตมาอธิบายทําให้ฟังพอเข้าใจบ้างหรือเปล่าเธอตอบท่านว่าเข้าใจได้ดีทุกประโยคที่ท่านเมตตาโปรดสัตว์ผู้อาภัพแต่ตัวผมเองมีกําหนามากคงยังไม่เบื่อความอาภัพของตนจึงกําลังถกเถียงกับตัวเองอยู่เวลานี้ยังไม่ลงรอยกันได้เลยใจคอยแต่จะไหลลงทางตามที่เคยเป็นมาอยู่เรื่อยเลย มายอมฟังเสียงอักธมที่นํามาพร่ำสอนบ้างเลยท่านถามว่าใจชอบไหลลงทางต่ํามน้ำไหลลงอย่างไรเธอตอบว่าก็ใจชอบแต่จะยกโทษท่านอยู่ทุกขณะที่เผลอตัวทั้งที่ท่านไม่มีความผิดอะไรเลยแต่ใจมันก็ชอบคิดของมันอย่างนั้นไม่ทราบจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะพอดีและเห็นโทษในความผิดเสียบ้างพอมีทางเดินเพื่อความดีต่อไปได้ท่านตอบว่า ทุกสิ่งที่เห็นว่าเป็นโทษจริงๆด้วยความสนใจคิดอันตรตองใจก็ย่อมจะเพิกถอนเสื่อมคลายในสิ่งนั้นไม่กําเริบพลําพองต่อไปแต่ถ้าใจยังฝักใยใยดีโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นยังเป็นคุณก็ย่อมจะสนใจใคร่คิดปริดโทษขึ้นเผาผลาญตนอยู่เรื่อยๆไม่มีทางลดหย่อนผ่อนคลายลงได้แน่นอนและนับวันที่ใจจะทําความลาโมกโสมมแก่ตนอย่างไม่มีทางช่วยได้ถ้าไม่รีบแก้ไขเสียบัตรนี้เป็นต้นไป อาตมาก็เป็นเพียงผู้แนะนวทางให้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นไม่อาจทำหน้าที่แก้ไขหรือถอดถอนแทนท่านได้การแก้ไขดัดแปลงจึงเป็นหน้าที่ของท่านผู้รับผิดชอบตัวเองจะทำความพยายามเต็มกำลังความสามารถไม่ลดละท้อถอยสิ่งที่เคยเป็นภัยก็จะค่อยลดตัวลงสิ่งที่เป็นคุณจะมีทางเจริญได้และลบล้างกันไปจนกลายเป็นความดีล้นล้นไม่มีสิ่งชั่วเข้ามาแแฝงแทงใจต่อไปถ้าท่านเชื่อทาของพระพุทธเจ้า ที่เคยช่วยโลกให้พ้นจากทุกข์ภัยตลอดมาท่านก็จะเป็นผู้มีธรรมคุ้มครองใจใจที่มีธรรมคุ้มครองหลับและตื่นย่อมเป็นสุขไม่กระวนกระวายสายแสมีตนเสมอภาคต่อสิ่งทั้งปวงไม่ชมสิ่งนั้นว่าดีไม่ตำหนิสิ่งนี้ว่าชั่วจนตัวเองต้องเป็นทุกข์ไปตามซึ่งไม่ใช่ทางนักปราชญ์ท่านดำเนินกันพอจบการสนทนาเธอรับคำท่านว่าจะพยายามทําตามที่ท่านแนะนําหลังจากนั้น ท่านเองก็ทำความเพียนไปและสังเกตเธอไปผลปรากฏว่าดีขึ้นบ้างตอนที่ขนาดจิตเธอซึ่งคอยจะยกโทษท่านบ่อยๆปรากฏขึ้นมาตามนิสัยเธอคอยทำความกดขันตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ปลอยตัวดังที่เคยเป็นมานักแต่ก็รู้สึกว่าเป็นความละบากไม่น้อยเมื่อท่านเห็นความละบากในการรักษาจิตของพญานาคที่คอยจะคิดไม่ดีอยู่เรื่อยๆท่านเลยหาอุบายลาเธอไปเที่ยวที่อื่นซึ่งเธอก็ยินดีให้ท่านไป เรื่องพญานากับท่านจึงเป็นอันยุติลงเพียงแค่นี้หลังจากนั้นท่านเลยถือเอาเรื่องพญานาคเป็นเหตุอธิบายธรรมเกี่ยวกับนิสัยของคนและสัตว์ต่อไปอีกเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้นั่งฟังบ้างไม่เสียเวลาไปเปล่าอันนับว่าเป็นคติได้ดีจึงได้นำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านนำไปพิจารณาถือเอาเป็นคติเท่าที่ควรแก่จริตนิสัยของตนท่านว่าดีชั่วมีได้เกิดขึ้นมาเองแต่อาศัยการทำบ่อยก็ชินไปเอง เมื่อชินแล้วก็กลายเป็นนิสัยถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็แก้ไขา ย, ยากคอยแต่จะไหลลงไปตามนิสัยที่เคยทําอยู่เสมอถ้าเป็นฝ่ายดีก็นับวันคล่องแคล่วแกล้วกล้าขึ้นเป็นลาดับฉะนั้นเด็กๆที่แรกเกิดพ่อแม่ที่ฉลาดจึงต้องพยายามอบรมในทางที่ดีก่อนจะสายเกินไปและหาพี่เลี้ยงที่เหมาะสมมาบํารุงรักษาไม่ปล่อยไม่ให้ปล่อยไว้ตามยถากรรมเพราะเด็กเริ่มศึกษาวิชาหลักธรรมชาติมาแต่อ่อนแต่ออก ไม่ขาดว่าขาดตอนเหมือนไปเรียนที่โรงเรียนหลักวิชาธรรมชาตินี่แหละเป็นวิชาที่ฝังนิสัยเด็กได้ดีกว่าวิชาแขนงอื่นๆเพราะมีอยู่ทั่วไปทั้งในบ้านนอกบ้านในสถานที่เรียนและนอกสถานที่เรียนเด็กสามารถเรียนและจดจำได้ทุกการสถานที่ที่สิ่งนั้นๆมาสัมผัสทางทวารอายตนาภายนอกคือรูปเสียงเป็นต้นนั่นแลเป็นเหมือนแผ่นกระดานและตัวหนังสือที่ เต็มไปด้วยความหมายดีชั่วต่างๆทั้งจากเด็กด้วยกันทั้งจากผู้ใหญ่ชายหญิงไม่เลือกนาทั้งจากโรงหนังโรงละครและโรงอะไรต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปไม่มีวันเวลาบกพร่องหลักธรรมชาติเหล่านี้แลเป็นครูเครื่องท่ําสอนเด็กๆที่พร้อมอยู่แล้วในการเสน่หศึกษาได้เป็นอย่างดีและมีการรับถ่ายทอดไปตลอดสายถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็พาให้เด็กชั่วได้จริงถ้าเป็นฝ่ายดีก็พาให้เด็กดีได้จริงการเห็นการได้ยินอยู่บ่อย เด็กย่อมถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างไปวนละเล็กละน้อยนานไปก็กลายเป็นนิสัยไปเองถ้าหลงได้เป็นนิสัยแล้วไม่ว่าทางชั่วทางดีย่อมมีทางระบายออกได้ทางไกลาถวาวนไม่อยากยินอะไรที่คนชั่วทําชั่วได้ง่ายและติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขก็ดีคนดีทําดีได้ง่ายและติดใจกลายเป็นคนรักศีลรักธรรมไปตลอดชีวิตก็ดีก็เพราะนิสัยเป็นสําคัญลําพังการฝืนทำทั้งที่นิสัยไม่อํานวยมาก่อนย่อมลดละปล่อยวางได้ง่าย จนกว่าจะปรากฏผลเป็นน้ำเชื่อมที่มีรสดื่มดำแก่ใจแล้วนั่นแหลจึงจะเกิดความพอใจในงานนั้นๆทั้งชั่วและดีไม่ยอมปล่อยวางอย่างง่ายได้ฉะนั้นหลักนิสัยจึงเป็นสิ่งสําคัญมากในตัวบคุคคลและสัตว์การทําอะไรจนกลายเป็นนิสัยแล้วเป็นสิ่งแก้ไขได้ยากจึงไม่ควรทําแบบสุมเราโดยมิได้ใคร่ครวญให้รอบครอบก่อนเราพอทราบได้จากการฝึกฝนตนในทางที่ดีจนเคยชินตัวนิสยัยเช่นการเที่ยวที่มีเหตุผลควรเที่ยว การจรร่ายทราบเพื่อประโยชน์แก่ตนและครอบครัวยังมีเหตุผลการรับประทานเป็นเวลาเวลาไม่พร่ำเพื่อการหลับและการตื่นนอนตามเวลาการฝึกมัญญาตและความประพฤติในทางดีพยายามฝึกฝนด้วยความสนใจไม่ลดละจนเป็นนิสัยเคยชินแล้วย่อมสะดวกราบปื่นต่อตัวเองในวาระต่อไปไปเองไม่ต้องฝืนกันอยู่เรื่อยเหมือนขั้นเริ่มแรกเพียงเท่านี้ก็พอทราบเลยว่านิสัยเป็นสิ่งที่ฝึกได้ไม่เหลือบากว่าแรง เป็นแต่ควรใช้ความเพียรพยายามบ้างในเบื้องต้นการฝึกเด็กหรือเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ฝึกในทำนองเดียวกันเราต้องการของดีคนดีก็จำต้องฝึกฝึกจนดีจะพ้นการฝึกไปไม่ได้งานอะไรๆย่อมมีการฝึกกันทั้งนั้นโลกถึงได้เรียกกันว่าฝึกงานฝึกสัตว์ฝึกคนฝึกตนฝึกใจตลอดมานอกจากตายเสียเท่านั้นจึงหมดการฝึกกันสิ่งใดที่ทำยังไม่เป็นเมื่อต้องการเป็นในสิ่งนั้นก็จำต้องฝึก และฝึกจนเป็นการเป็นงานเป็นคนดีสัตว์ดีรวมลงในคำว่าฝึกนี้ทั้งสิน้นจึงควรพิจารณาให้ถึงใจปฏิบัติให้เกิดผลคำว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอนได้นำเรื่องนิสัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นอธิบายให้ฟังมาลงบ้างเล็กน้อยพอเป็นคติแก่พวกเราที่กำลังอยู่ในขายแห่งธรรมนี้จึงข อ, อยุติไว้เพื่อดำเนินเรื่องใหม่ต่อไปพระอระหันตานิพานที่ทำเชิงดาวสามองค์ ขณะที่ท่านพักอยู่ในถ้าเชียงดาวปรากฏนิมิตต่างๆที่ประทับใจมากมายหลายนิมิตแต่จะนํามาลงเท่าที่ควรคือตอนกลางคืนยามดึกสงัดแทบทุกคืนมีเทวดามาจากเบื้องบนชั้นต่างๆบ้างมาจากเบื้องล่างที่ต่างๆบ้างมาฟังเทศท่านคืนละสามพวกบ้างสองพวกบ้างหนึ่งพวกบ้างตามเวลาที่ท่านนัดให้มาและมีพระอาหารหันต์มาสำโมธนียกถาธรรมเครื่องรื่นเริ ง, เรงกับท่านเสมอไม่ได้ขาดพระอาหารหันต์ที่มานั้น ต่างองค์ต่างแสดงวิถีนิพพานของตนท่าต่างๆให้ท่านดูบ้างทั้งองค์ที่มานิพพานในถ้ำ น, นั้นและนิพพานในที่อื่นๆก็มาแสดงในที่นั้นบ้างพร้อมคําอธิบายประกอบด้วยขณะที่แต่ละท่านแสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆให้ท่านดูและฟังอย่างถึงใจขณะที่ฟังท่านเล่าเกิดความสลดสังเวชตนและน้อยใจว่าตนมีวาสนาน้อยตาหูใจก็มีอยู่อย่างท่านแต่ไม่สามารถเป็นอย่างท่านได้ทั้งเกิดความปิติทั้งเกิดความน้อยใจเสียใจ ทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ก็เป็นไปในเวลาเดียวกันแต่การร้องไห้ได้พยายามเก็บไว้ในส่วนลึกไม่กล้าแสดงออกอย่างเปิดเผยกลัวหมู่เพื่อนจะว่าบาปเพราะขณะนั้นก็เป็นบ้าอย่างลึกๆอยู่แล้วคําสัมโมทนียกาถาธรรมที่พระอาหารหันตระองคแสดงแก่ท่านพระอาจารย์มั่นนั้นเป็นคําจับใจไพเราะมากยากที่จะหาคําพูดในโลกมาเทียบให้เสมอเหมือนได้แม้ผู้เขียนเองก็ไม่แน่ใจว่าจะนํามาลงตามแบบฉบับของท่านแท้ได้ จึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยความจนใจที่พอจับใจความได้จากท่านมีดังนี้พระอาหารหันตุทุกประเภทเป็นบุคคลประเสริฐอัศจรรย์ทั้งแก่ตนและแก่โลกทั้งสามมีมนุษย์เทวดาเป็นต้นจะปรากฏขึ้นในโลกแต่ละองค์เป็นของยากลําบากมากรองพระพุทธเจ้าตรัสรู้ลงมาเหมือนขุมทองธรรมชาติจะผุดขึ้นท่ามกลางพระนครหลวงของพระเจ้าจากักรพรรดิไม่เป็นสิ่งจะผุดขึ้นได้อย่างง่ายได้เลย ความเป็นอยู่แห่งชีวิตของพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ผิดจากความเป็นอยู่ของโลกเพราะมีชีวิตอันสดชื่นด้วยธรรมแม้ร่างกายจะเป็นสมมติเหมือนโลกทั่วไปแต่ใจผู้ครองร่างเป็นของบริสุทธิ์จึงทำให้ทุกส่วนในร่างกายสดชื่นไปตามท่านก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ได้ทำความพยายามกลั่นกรองเชื้อแห่งภพออกจากใจกจมนต์สิ้นไปไดกลายเป็นบุคคลไม่มีภพชาติขึ้นมาที่ใจให้โลกได้กราบไหว้บูชา เป็นก้อนตากวอนใจอีกวงหนึ่งพวกเราจึงได้มาเยี่ยมแสดงความยินดีเพราะไม่มีบ่อยครั้งนักที่บุคคลประเภทนี้จะอุบัติเนื่องจากเป็นความอุบัติยากทั้งๆ ท, ที่ใครก็อยากเป็นแต่ความอยากทําไม่อํานวยดังนั้นโลกแม้จะเกิดมาในถ้ำกลางที่พึ่งมีพ่อแม่ญาติวงเป็นต้นก็าตามแต่ที่พึ่งเพื่อกเกาะเพื่อยึดทางใจอันเป็นที่พึ่งสําคัญนั้นโลกยังไม่ค่อยมีกันเลยสัตว์โลกเกิดมาอย่างเคว้งคว้างทวงตนอยู่เปล่า มีจำนวนมากต่อมากเหลือหูเหลือตาจกคุณนานับอ่านได้พระอาหารหันตุบัติต่อสลูขึ้นแต่ละองค์จึงเป็นของอัศจรรย์และทําประโยชน์แก่โลกทั้งสามได้มากท่านเองก็ปรากฏว่าทําประโยชน์แก่มนุษย์เทวดาอินพรมได้อย่างกว้างขวางมากมายเพราะท่านบรรลุถึงความบริสุทธิ์และแตกฉานทางภาษาใจซึ่งเป็นภาษาสําคัญกว่าภาษาใ ด, ใดในโลกทั้งสามพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอาหารหันต์บางประเภท ต้องใช้ภาษาใจช่วยทําประโยชน์แก่โลกเพราะภาษาใจเป็นภาษากลางของสัตว์โลกผู้มีวิญญาณรับรู้การสั่งสอนสัตว์โลกประเภทกายทิพย์ซึ่งหมายถึงกายที่ไม่ปรากฏด้วยตาเนื้อต้องใช้ภาษาใจล้วนๆติดต่อและแสดงอัตธรรมผู้รู้ภาษาใจด้วยการย่อมเข้าใจได้ง่ายและได้รับประโยชน์รวดเร็วกว่าธรรมดาอยู่มากดังนี้พอจบสัมโมทนียกถาธรรมแล้วก็แสดงวิธีนิพานท่าต่างๆให้ท่านดู แทบทุกองค์ในบรรดาพระอรหันต์ซึ um, sob, Monsieur, <Model. S 1> ่งมาเยี่ยมท่านที่แสดงทำเครื่องเรือนเริงและแสดงท่านิพพานให้ดูบางองค์ก็แสดงท่านางขัดสมาธินิพพานบางองค์ก็แสดงท่าศีหสายาฏคือนอนตะแคงข้างกวานิพพานบางองค์ก็แสดงท่ายืนอยู่กลางทางจงกรมนิพพานบางองค์ก็แสดงท่าเดินจงกรมนิพพานในท่าต่างๆกันที่แสดงท่านางกับท่านอนศีหะสายาฏนิพพาน มากกว่าท่านอื่นที่แสดงท่ายืนนิพพานและท่าเดินจงกรมนิพพานมีน้อยมากองค์ที่แสดงท่านั่งและท่านอนนิพพานก็แสดงให้เห็นชัดไปตลอดสายจนถึงอวสานสุดท้ายพอสิ้นวาระของการแสดงท่าแล้วองค์นั่งนิพพานก็ล้มพลอยลงไปราวกับปุยนุ่นร่างกายทุกส่วนก็หยุดทํางานและนิ่งแน่วไปเลยองค์ที่แสดงท่านอนสีหสัยญาณ น, นิพพานท่านวาดสังเกตได้ยากมองเห็นลมหายใจเพียงขณะเริ่มแรกแสดงท่าเท่านั้น จากนั้นไปลมก็ละเอียดอวัยวะทุกส่วนไม่กระดุกกระดิกเลยมีแต่ท่าอันสงบเหมือนคนนอนหลับจากนั้นก็เงียบไปเลยองค์แสดงท่ายืนนิพานก็ยืนในลักษณะรำพึงเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงตาทอดลงพอประมาณตาทั้งสองหลับสนิทมีอาการรำพึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยๆลมแบบยอดตัวลงตั้งกองอยู่กับพื้นแล้วค่อยๆลมจากท่านั่งลงไปนอนกับพื้นอย่างเบาๆรากับสำลี ส่วนองค์ที่แสดงท่าเดินยุกรมนิพพานก็เดินกลับไปกลับมาราวหกเจ็ดรอบแล้วก็ค่อยๆล้มพลอยลงไปนอนอยู่กับพื้นอย่างเบาๆแล้วก็แน่นิ่งไปเลยเช่นเดียวกันทุกๆองค์ที่แสดงวิธีนิพพานในท่าต่างๆกันนั้นมาแสดงต่อหน้าท่านโดยห่างกันประมาณวาหรือวาเศษเท่านั้นทําให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนและประจักษ์ใจตลอดมาฟังแล้วอดน้ำตาร่วงไม่ได้ต้องหันหน้าเข่าฝาทันทีที่รู้สึกมีอาการแปลกเกิดขึ้นในขณะนั้น มิฉนั้นก็จะปล่อยอะไรออกมาทําให้เกิดเรื่องใหญ่และอาจเป็นประวัติต่อท้ายท่านไปอีกก็ได้บรรดาพระอาหารหันต์ที่มาแสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆให้ท่านดูนั้นแสดงด้วยท่าอันสงบสงเงียม ง, งามตา ม, มากไม่มีอาการกระวนกระวายสายแสเหมือนโลกทั่วๆไปเลยฟังท่าไหนก็ล้วนเป็นท่าที่ให้เกิดความสุขสัตสงเวชเหลือจะอดกลั้นน้าตาไว้ได้ทุกท่าไปเพราะบุคคลอัจรนิพพาน ลาโลกสมมติที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงนานาประการจะไม่ให้อัศจ ร, รย์อย่างไรใครก็ใครเถิดถ้าลงได้ประสบอย่างนั้นเข้าบ้างเข้าใจว่าต้องมีความรู้สึกอย่างเดียวกันจะทนเป็นใจไม้ไส้ระกรรมอยู่ไม่ได้แน่นที่ทำเชียงดาวมีพระอรหันตานิพพานสามองค์สององค์นอนนิพพานแต่อีกองค์หนึ่งเดินจงกรมนิพพานและแสดงท่านิพพานให้ท่านดูต่อหน้าต่อตาเลย ทุกองที่นิพพานในท่าต่างๆได้อธิบายเหตุผลประกอบให้ท่านทราบอย่างละเอียดก่อนจะทําพิธีนิพพานที่แสดงท่าอยู่นิพพานและท่าเดินจงกรมนิพพานมีไม่กี่รูปส่วนท่านั่งกับท่านอนมีมากและท่านอนมีมากกว่าท่าอื่นๆท่านพิจารณาทราบว่าพระอรหันต์มานิพพานที่เมืองไทยเราหลายองค์เท่าที่จําได้มีดังนี้นิพพานที่ทําเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สามองค์ นิพพานที่หลังขา ว, วงพระจันทร์หนึ่งองค์นิพพานที่ถ้ำตะโกจังหวัดลบบุรีหนึ่งองค์นิพพานที่เขาใหญ่จังหวัดนคร น, นายกหนึ่งองค์นิพพานที่วัดธาตุหลวงอำเภอเกาะขาจังหวัดลำปางหนึ่งองค์ที่จําไม่ได้ก็ยังมีจึงขออาภัยไว้ด้วยคาว่านิพพานเป็นศัพท์ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระปัจเจก พ, พุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่สิ้นกิเลสและพบชาติภายในใจแล้ว โดยเฉพาะมิได้ใช้ทั่วไปในสัตว์โลกผู้ยังมีกิเลสทั้งหลายเพราะพวกหลังนี้ยังเป็นผู้สังสมภพชาติอยู่ภายในอย่างสมบูรณ์จึงไม่มีอะไรจะควรเรียกว่านิพานได้ในทางสมมติพอตายจากนี้ก็ไปเกิดที่นั้นตายจากที่นั้นก็ไปเกิดที่โน้นตายจากคนไปเกิดเป็นสัตว์ถ้าประมาทในชาติเป็นมนุษย์ไม่พยายามสร้างความดีไว้ส่งเสริมเติมต่อในภพชาติต่อไปการเป็นสัตว์ก็มีหลายชนิดไม่แน่นอน เพราะทางที่จะให้เกิดเป็นสัตว์มีมากกว่าทางจะให้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาอินพรหมอันเป็นภูมิสูงเป็นไหนๆเนื่องจา ก, กจิตใจชอบทํำคำชั่วอันเป็นทางให้ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆได้มากกว่าทางดีดังนั้นสัตว์ชนิดต่างๆจึงมีมากกว่ามนุษย์และเทพพรหมแต่จะเป็นสัตว์ชนิดใดและมนุษย์เทพพรหมประเภทใดโ็ลวนมีสิ่งเกาะเกี่ยวเหนียวรั้งพาให้ต่อต้นต่อแขนงเป็นพพชาติสืบต่อไปไม่มีทางดับสนิทได้ จึงไม่เรียกว่านิพพาน